เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสนียจันไร่จะต้องให้มีเพรว่าะจะลงรักษาเสนียจะมาบ้านก็สิเอามาเคสตาดีเลยเคุณพ่อของลูกมีเชื้อสายลาวเกิดที่จังหวัดนครนายกมีอาชีพรับราชการทหาร ยศจากสิบเอกแต่งงานกับคุณแม่มีลูกหกคนชายสี่คนหญิงสองคนคุณพ่อดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันจนติ ด, ดเห็นไหมดื่มทุกวันน่ะไม่ได้สนใจที่จะรับรู้เรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวเห็นไหมจ๊ะผลเสียเนี่ยของการดื่มสุรา บางครั้งกเล่งกาบพนันจนติดการพานันให้โลมาที่ดินที่มีก็นำไปจำนองจำนำ oh. คุณแม่ต้องหาเงินไปตามไถ่ถอนเป็นประจำ oh. เป็นไงสุรามหาโทษ oh. ก, การพานัน oh. ครอบครัวฝ่ายเวลาฝ่ายบิด า, า, ด, าดื่มเหล้ากันทุกคน oh. และกระทั่งคุณย่าอายุมากแล้วก็ยังติดเหล้าดื่มทุกวันไม่มีเว้น ขณะที่ไปวัดก็ยังหิวมตะก้าหมาดและพกเหล้าไปดื่มด้วย oh. ยอดคุณยา่าเลยและหลงลืมประจําทางขาวแล้วก็จำไม่ได้ oh. ก็เรียกหามาทธานอีก <Okay. S 1> แต่ว่าท่านอายุยืนเสียชีวิตอายุตอนอายุเก้าสิปีด้วยโรคชรา <Okay. S 1> ตอนหลังได้มีแม่ชีท่านหนึ่งนั่งทางในดูชาตาลูกแล้วบอกว่าพ่อเราเนี่ยอายุไม่ยืนนะ ยู่ไม่ถึงเกษียณพอรู้ว่าพ่อยุ่ไม่ยืนลูกก็กลับไปบ้านไปชวนท่านคุยบอกกับพ่อว่าแม่ชีท่านนั่งทางไหนได้บอกว่าพ่อยุ่ไม่ยืนไม่ถึงหกสิบปีลูกก็เลยซักซ้อมถามพ่อว่าถ้ายมพบาลเ็าถามว่าพ่อทำบุญอะไรมาบ้างเนี่ยพ่อจะนึกถึงบุญออกไหมยอดลูกเลยดบ พ่อก็บอกว่าพ่อเคยจัดทอดปลาปลาระดับทั้งกรมทหารไปทอดที่วัดว่าซุงหรือมีแต่วะท่าสุงมึงใช่แต่นี้ว่าสุงมึงจังหวัดนครนายกใช่มีช้างไปแสดงเตะลูกบอลให้คนชมเพื่อคนจะได้มาร่วมงานกันมากๆใช่พระธรรมกายไม่เคยเอาช้างมาเตะเลยใช่ยังมีงานช้างเลยใชตอนหลังลูกได้รู้จักว่าพระธรรมกายได้มาร่วมบุญที่วัดหลายงาน แล้วรู้ว่าได้บุญเยอะมากในแต่ละ ง, งานอยากให้พ่อได้บุญเยอะๆก็ชวในให้พ่อเป็นประธานทอดปลาป่าวันมาค่าบูชาหน้าวัประรมกายราวปีสองห้าสองหลูกเสื้อพระเจวรพาคุณพ่อคุณแม่มาทอดปลาป่าแต่เช้าก่จะนำํำภาพไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ลูกก็กล่าวขอขอมาคุณพ่อและคุณแม่ว่าสิ่งใดที่ลูกได้ร่วงเกินท่านไว้ได้กายวาจ่ายหรือใจคดีลูกกล่าวขอโอโหสิกรรมด้วย เราเห็นท่านตื่นตันใจพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าคุณพ่อถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยท่านจะเป็นคนใจดีสแสดงว่าดื่มแล้วเป็นคนใจไม่ดีใจไม่ดีห็นแมสุรามหาโทษเจ้ า, จานายนี่รักพาอขยันเอางานเอาการแต่พอดื่มเหล้าแล้วจากหน้ามือก็จะเป็นหลังมือเป็นคนเมาที่เหมือนตัวตลกไรย้ยางอายขาดสติ ว่าท่านติดเหล้าก็ถอนตัวไม่ออกต้องดื่มเช้าดื่มเย็นทำเป็นเล่นไปนะเหล้าก็ดีบุรีก็ดีเนี่ยเวลาตกเป็นธาตุแล้วเนี่ยยอมตกนรกเลยนะเหล้าก็บุรีเนี่ยฤลิ์เป็นขนาดไหนเลยยอมยอมตกนรกเพื่อให้ได้ดื่มเพื่อให้ได้สูบแล้วก็ยังมีภัยในวัฏสงสารอีกยอมเจ็บไข้ได้ป่วย ยามเสียเงินเสียทองเสียเวลำเวลาเสียผู้เสียคนเสียทุกๆอย่างมีฤทธิ์นะเห็นไหมก่อนที่จะเสียชีวิตดูนะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคจับถึงสี่ครั้ง<อ>และครั้งสุดท้ายภาพท่านร้องขอความช่วยเหลือลูกยังจำได้ท่านบอกว่าช่วยพ่อด้วยนะลูกนะพ่อเจ็บตา อ, อกปวดทรมานมาก เพรเจ็บปวดมากทากั้งอะไรเริ่มจะเลิกได้บ้างเพราะเจ็บหน้าอกเลิกเพราเจ็บหน้าอกนะเนี่ยไม่ใช่เลิกเพราะเห็นว่ามันไม่ดีหลังจากหายเจ็บแล้วก็มาดื่มต่อเมาหกล้มทำเป็นเป็นแผลที่แขนและแขนอักเสบบวมเร็ว ม, มากเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันเลยจึงนําไปส่งโรงพยบาบาลหมอบอกต้องตัดแขน<อ>เห็นไหม แล้วพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคตับวายไตายวายตอนอายุได้ห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยยอมเห็นไหมสุรานี่สุดที่รักของนักดิ้งเนี่ยแหละช่วงวาิสาขาบุชาที่ผ่านมาลูกเด็บฝันเห็นท่านหน้าตาหมองคล้ำมากไม่ทราบว่าธรรมาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะคุณแม่บอกเคยคิดจะเลิกกับคุณพ่อตั้งแต่มีลูกชายคนแรก ขะคนรักกันมากอย่างนีย้ยังอยากจะเลิกเลยคุณพ่อเลยนําพิชายคนโตใส่กระเป๋าใบใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดึงเงินแย่งกระเป๋ากันข้างในก็มีลูกชายอยู่แขนข้างหนึ่งของพิชายก็ห้อยออกมานอกกระเป๋ากระเป๋าเลยหนีถอยแขนรีบไม่โตตามตัวพอโตขึ้นก็นรับราชการทหารแต่ก็จเจริญลงตามคุณพ่อ คือดื่มเหล้าเป็นอา จ, จินเพราะว่าเห็นพ่อดื่มมาก็เลยดื่มตาม ค, คุณแม่มักบ่นว่ารู้อยู่แล้วว่าเหล้ามันไม่ดีตัวอย่างของพ่อก็เห็นอยู่แล้วทําไมไม่เลิกดื่มสทัทีแล้วมักชอบใช้ไฟฟ้าไปช็อตปลา<อ>ยิงแย่อหอยเป็นพวงไหมคุณแม่ทํากับข้าวแก้มเหล้าให้<อ>แต่คุณแม่ไม่ทําให้แล้วเสียชีวิตเมื่ออายุได้สี่ส<อ>ิบเก้าปีพอกินเหล้าเมาไร้สติหกล้มแล้วหัวใจล้มเหลว หลังจากเสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่เคยฝันเห็นเลยพี่ชายคนนี้ในช่วงทอดกริ่นคุณยายครั้งแรกรับปากคุณแม่ก็จะมาร่วมงานทอดกระถิ่นยายแต่ดื่มเหล้าเมามายมากภรรยาเลยขังไว้ในบ้านโอ้โหแต่ก็คงนึกได้ว่าคุณแม่ชวนมาร่วมงานกรถิน80ปีของคุณยายเลยปีนออกจางหน้าต่าง <c oughs> และก็หมาแท็กซี่มาร่วมงานที่วัดธรรมกายจนได้ oh. หลังจากคุณพ่อพี่ชายเสียชีวิตคุณแม่ก็ะเด็สร้างพระประจำตัวคุณพ่อพี่ชายคุณย่าคนละองค์คุณแม่ร่วมบุญบันดาลใจกับลูกทําสาวค้ำเจดีและทําบุญทุกบุญตามกําลังก็ด้วยมาไม่ขาดคุณพ่อพี่ชายคุณย่าลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนก่อนตายมีกติอย่างไรท่านได้รับบุญต่างๆที่ลูกส่งไปให้หรือเปล่าคะปณิสสารกับประชาที่ผ่านมาฝันยังคุณพ่อท่านมาขอบุญใช่หรือไม่ถ้าลูกนึกถึงคุณพ่ออยู่ในกลางองค์พระเรื่อยๆบุญจะถึงคุณพ่อไหม พี่ชายมีบุปการมารายถึงแขนรีบแล้วทำไมพ่อจึงโดนตัดแขนและอายุสั้นทั้งคู่คลองสันนิษฐานที่ว่าทั้งสามท่านเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคมห้าครับ ข, ขึ้นพ่อตายเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดปีตายแล้วก็ดิ่งตรงไปมหานรกุมห้าทันทีเพราะกรรมดื่มสุราเป็นหลัก ทำให้กตินิมิต ด, ดำมืดสนิทขณะนี้กำลังถูกนายนิรยาบาลร่วมจับกรอกน้ำกรดสีดำ<อ>จนตัวละลายตายและฟื้น อ, อย่างนี้นับครั้งไม่ท้วนทุกทรมานลึกเกินแล้วก็จะอยู่ในสภาพนี้อีกนานทีเดียวหลังจากนั้นก็จะถูกนำไปลงทันด้วยวิบากกรรมอย่างอื่นอีกเพราะว่าท่านผิดศีลหลายข้อทีเดียว บุญที่ตัวท่านทำนะ่ะยังไม่ได้ช่องที่จะช่วยเพราะบุญที่ตัวท่านทำนะ่ะมันเล็กน้อยยังไม่เพียงพอกับอจินกรรมที่ดื่มสุราและการพนันเป็นต้นที่ถูกตัดแขนเพราะเป็นกรรมปานอ า, าทิบาตข่าสัตวปัจจุบันแล้วก็ได้แอบไปทำร้ายมา้าโดยฟันขามา้าซึ่งเป็นตัวเก่งของข้อ อ, อื่นให้บาดเจ็บ นี่เขาไม่ได้เขียนมารวมทั้งกรรมในอดีตก็เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตก็เป็นอดีตคนขี้เมาอขอเงินกินเหล้ากับมารดาเมื่อไ้ได้กระทุบตี<อ>แล้วก็ลักขโมยเงินของท่านไปกินเหล้า ด, ด้วย<อ>ตายแล้วก็ไปมาหานรก<อ>ขึ้นมาเกิดกะระดมอดีต<อ>เลยทำใหม่แล้วก็ลงใหม่<อ>เห็นไหม อ, อยากได้เงินเนี่ย เพอาไปกินเหล้ายอมตกนลกทุบตีมานไดที่อายุสั้นเพราะกรรมบา น, นบาติบัติลาสัตว์มาทำกับแกล้มพี่ชายตายแล้วเดยอายุ49ปีตายแล้วคตินิมิต ด, ดำมืดตรงดิ่งไปมหานลลกขุมฮะเหมือนบิดาแล้วถูกนายนริบาลุ่มกรอกหน้าสีดำอยู่แถวเดียวกับบิดามีความทุกข์ทรมานมาก อยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่ได้คุยกันที่แขนรีบเพราะว่าเวลาเม า, เรากระทุบตีบิดามาดาบุตรภรรย า, ยาเพื่อให้ได้งเงินไปกินเหล้าเคยตกนรกมารอบนึงแล้ว เ, เหมือนกันในกรรมในอดีต น, นะแล้วก็ต้องลงไปอีกจะต้องอยู่ในมหารกอีกยานนานบุญก็ยังไม่ได้ช่องที่จะช่วยที่อายุสั้นกับเพราะกรรมปาณ า, าติบาต คุณยาตายเมื่ออายุได้เกสปีตายแล้วก็มีคตินิมิตรดำมืดสนิทกระดิ่งตรงไปมหานรคุมห้าทันทีเมือนลูกและหลานไปอยู่แถวเดียวกันกำลังถูกนายนริยบาลจับกรอกน้ำกรดสีดำเหมือนกันต้องทนทุกข์ทรมานยาวนานเช่นเดียวกันและบุญก็ยังไม่ได้ช่องช่วยที่ลูกฝันไปกับพระจิตนิวรเป็นห่วงท่านท่านอยู่ มหาดาลกคุมห้ามาเข้าฝันไม่ได้บุญทุกบุญที่ทำอุทิศไปให้ก็ไปรออยู่ในยอโมโลกเป็นหลักเ้ีแต่บุญที่หลวงปู่คุ้มไปให้ในตอนภาคม่ายของวันอาทิตย์ก็จะทำไม่ค่อยเบาบางแต่ก็ยังอีกนานจงกว่าลูกจะเข้าถึงธรรมกายที่ละเอียดจริงจริง จ, งจึงจะไปช่วยท่านได้ให้พยาามทาความเพียงกันต่อไป อย่าท้ออย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะจ๊ะเพราะความท้อความวิตกกังวลนั้นอนะ่ะช่วยอะไรทั้งสามท่านไม่ได้เลยตอนนี้ให้มันปฏิบัติธรรมทำใจให้ใส่ใสเห็นองค์พระมาะได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยควรจะต้องทำให้มันละเอียดกว่านี้ให้ละเอียดจนถึงระดับที่ จะศึกษาวิชาธรรมกายได้นั่นแหละตึงจะไปช่วยท่านได้